อเพื่ออินทรีย์อ่อนๆนะ่ยมันต้องย้ำแล้วย้ำอีกเรียกว่าตอกย้ำอยู่นั่นแหละอย่างเช่นอพยาตูปรานญายนพยาตูประธานาา น, ธานายานอาทีนวายา น, นิพถญ า, านเนี่ยนะนะถามว่าไอ้ของที่มันเป็นมหาภัยเนี่ยมันมีโทษหรือไม่มีโทษมันมีโทษแล้วไอ้ของที่มันมีโทษมันน่าเบื่อนายหรือไม่น่าเบื่อนายน่าเบื่อนาย แต่ถ้าคนมีปัญญาสมัยก่อนบอกว่าควรแล้วที่เธอทั้งหลายจะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกำหนัดเนี่ยนะพวกองค์ใช้ศัพท์นี้เข้าใจกันเลยเนี่ยนะควรแล้วที่จะคลายกำหนัดบอกว่าวางใจไว้กับสิ่งนั้นเถิดอย่าไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดถือไปผูกพันฉันทราค่าในสิ่งนั้นเลยเนี่ยนะคือท่านก็เข้าใจกันะนะเนีแต่ว่ายุคหลงังๆมาไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราแบบกลุ่มอุคติตันยูเข้าใจอะไรง่ายๆย่อๆนะอ่า น, นพวกเนี่ยขันธวารวักเนี่ยสูตรสั้ๆ หรือเอกานิบาตก็ได้อังคุตระนิกายเอกานิบาตก็เป็นสูตรสั้นๆนะธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสาเนี่นะหัวข้อสัส้นๆแต่ว่าของเราทั้งหลายก็อินซีไม่ไม่แก่นะเฉพาะสัตธาวิทยาสติสมาธิปัญญานะไม่ค่อยแก่แต่อินซีก่อนหนะ้า น, นี้แก่ไปหลายเรื่องนะแล้วก็จักขุนซีโสตินซีคานินซีชิวหินซีกาญรีชีวิตินรีนะพวกนี้แกหมด แต่ว่าสัตทินรีก็ไม่ค่อยแก่มากนะักเหตุแสดงยังไงจะให้สัตทินรียมีกําลังขึ้นวิริยินทรีย์มีกําลังขึ้นสติินรียมีกําลังขึ้นปัญยินทรีย์มีกําลังขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่ปัญญาโน้อนที่เรียกว่าคนพ่านทั้งหลายพอชี้แจงพูดละเอียดไปก็โกรธอีกเขามีกลุ่มเรียกว่าอัตุละอัตุละอุบาสกสมัยพุทธกาลเน่ยนะเขาก็เข้าไปหาพระเถระ ก็ไปเข้าไปหาพระรูปหนึ่งท่านไม่เทศไปรูปหนึ่งท่านก็เทศโยโย่ไปอีกรูปหนึ่งท่านก็เทศพิสดารไปรูปหนึ่งท่านก็เทศปานกลางผิดใจหมดเลยเนี่ยนะไอ้คนนั้นแหมปากหนักเหลือเกินไม่เห็นพูดเลยเนี่ยคนนั้นก็พูดน้อยเกินไปแหมแต่ละคํายังกระประหยันเหลือเกินอย่างเงีคนนั้นก็บอกพิสดารเกินไปคุณก็พูดเหมือนกับพอดีมันก็ไม่ถูกใจไงเจอพุทธเจ้าผมก็บอกว่าโลกธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเผมก็เลยว่าไอ้พวก คำนินทาคำสรรเสริญเนี่ยมันของคู่โลกหรือแล้วล่ะเนีนะ่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือกลุ่มที่ศึกษาพ็ทธรเนี่ยนะในยุคนี้เนะี่ยเป็นเป็นยุคที่เรียกว่าหลากหลายจริงๆเลยนะนั่นนะถ้าใครอยากจะดูความวิจิตของจิตเนี่ยนะโอ้มาดูยุคนี้มนเห็นความวิจิตจริงๆนะอันนะโดยเฉพาะการใช้คำตอกย้ำบ่อยๆเนี่ยทำให้จิตซ่องเสพอยู่กับสิ่งนั้นได้มากๆได้บ่อยๆถ้าพูดถึงกลุ่มพระ ท่าหันสมัยกระถมพุทธกาเลเนี่ยนะเขาฟังสูตรย่อๆแล้วเขาเจริญทั้งวันทั้งคืนเจริญได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ในในในสูตรที่เขาเขาเรียนมาย่อๆนั่นแหละแต่เขาพิจารณาเขาปฏิบัติภาพเพียรทั้งวันทั้งคืนอย่างพระานาลากะานะฟังทำอยู่สูตรเดียวแล้วไปปฏิบัติจนปรินิพานเลยเนี่ยนะหลายๆท่านก็ฟังอยู่สูตรเดียวแล้วก็เจริญไปอย่างนั้นฟังก็สูตรแต่ย่อๆกันทั้งนั้นแล้วไปเจริญไปปฏิบัติได้ แต่กลุ่มลังหลังฟังแล้วฟังอีกฟังรายการทั้งคืนกว่าแล้วรายการทั้งวันทั้งคืนกว่าแล้วเนี่ยนะไลยรายการด้วยกันเนี่ยนะบางคนก็ติดตามเป็นสิบสิบปีนั่นแหละกว่าจะได้ตรัสรูม้มรรคผลในพานประกาศถึงว่าอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแตกต่างกันจริงๆริงเนี่ยน ะ, นะคำว่าปล่อยเนี่ยก็คือปล่อยจากการยึดถือว่าเที่ยงจากความยึดถือว่าเป็นสุขจากความยึดถือว่างามจากความยึดถือว่าเป็นอัตตาแล้วมีอสังขตาธาตุเป็นอารมณ์แทนเนี่ยนะนะ คือธรรมชาติของจิตเนี่ยนะยังไงก็ต้องรู้อารมณ์ไม่อารมณ์ใดก็อารมณ์หนึ่งเนี่ยนะไม่อารมณ์ใดก็อารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยจากสังขตะก็มีอสังขตะเป็นอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะมันต้องที่เรียกว่าเมื่อเห็นว่าสังขตะเนี่ยร้อนจริงๆเคยจับไฟไหมนั่นแหละก็จนกว่าจะเห็นว่าสิ่งที่น่ารักที่สุดเนี่ยมันร้อนเท่าไฟะนะ ในความคิดเราจริงๆมันร้อนอย่างนั้นจริงๆอ ะ, ะถ้าอย่างนั้นก็เปอร์เซนต์ปล่อยเนี่ยสูงมากแล้วแต่ถ้าคิดเรื่องนั้นอยู่แล้วว่าครั้งแล้วครั้งเล่านะคิดเรื่องนั้นแต่ละเรื่องนะโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยนะถ้าอย่างนี้ก็โอ้โอีกนานกว่าจะปล่อยได้ต่อมาอีกนิดหนึ่งนะว่าผู้ที่ไข่จะพ้นจากสังขารทุกประเภทในในภพกาเนิดคติวิญญาณทิติวินสัตวะทั้งหมดเนี่ยนะ ยกสังขารเหล่านั้นขึ้นสู่ไตรลักษณ์คือขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในลักษณะว่าเพื่อเป็นอุบายในการปล่อยหรือเป็นอุบายแห่งการพ้นให้สําเร็จจึงเห็นแจ้งด้วยปฏิสังขานุปัสสนาคือไอาการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนะการตามเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นการเห็นไตรลักษณ์แบบสลับกับความหน้าเบื่อหน่ายสลับกับความที่ใครจะพ้นเป็นต้นนะจริงๆก็อยู่ใน วนๆอยู่ในการพิจารณาสังขารอยู่นั่นแหล ะ, น ะ, นะตามเห็นสังขารโดยเปรียบบางแห่งนะเขาเปรียบเทียบเหมือนว่ามีบาปอยู่ใบหนึ่งน ะ, นะดูยังไงก็มีแต่ช่องทะลุอันนี้ถ้าพูดแบบภาษาพระนะดูยังไงก็สนิมเคลล์แล้วก็ช่องทะลุก็มีตั้งหลายทะลุไอ้ที่ยังไม่ทะลุก็ร้าวกันไปหมดเลยนะดูยังไงก็ดูคิดยังไงก็ต้องปล่อยบาปใบนี้ให้ได้ บอกไม่เอาเลยได่บาดใบนี้ไม่ใช้แล้วสนิมก็เคลรู้ก็รู้ร้าวก็ราวเนี่ยดูยังไงก็เรียว่าเอามาปฏิปะตะทํายังไงก็แก้ไม่ได้ดูจะทิ้งอย่างเดียวอ่ะนี่นี่ก็เหมือนกันน่ยนะการพิจารณาขันห้าเนี่ยขันห้ามันเหมือนกับทะลุแบบทะลุด้วยอ น, นิจจทะลุด้วยทุกขังทะลุด้วยอนาาัตตาแล้วก็เตรียมร้าวจะเตรียมทะลุอีกต่างมากมายเพราะฉะนั้นก็การดูไอรู้ทะลุเนี่ยก็ต้องการอย่าไม่เอาแล้วบาดใบนี้อ่ะนี แต่ว่ามันปกติแล้วเป็นบาดใบที่รักที่สุดมาเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยรักอะไรเท่าบาดใบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องจะปล่อยมันได้ก็ต้องรอบับรู้จริงๆอะนะแต่สมัยนี้ก็มีพวกนักสะสมของเก่าอีกแล้วมันก็ถ้ า, ามีของเก่าเยอะๆก็ถือว่าแหมมีความสุขมากนะก็เลยเล่นกระยุคนี้ยากนั่นนะแต่เปรียบของเก่าบอกเออของเก่ามันราคาแพงเหมือนกันนะว่าแค่นั้นเองนะนีเออ ก็เมื่อพระโยคีบุคคล น, นั้นเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้แลปฏิสังขารนยานเป็นนิมิตด้วยอ น, นิจจาลักษณะย่อมเกิดขึ้นปฏิสังขารนยานอันเป็นไปด้วยทุกคลักษณะย่อมเกิดขึ้นปฏิสังขารนยานอันเป็นนิมิตและประวัตด้วยนัตลักษณะย่อมเกิดขึ้นอันนี้ก็ว่าตรงๆบอกแปลเข้าใจยากที่สุดในรูกเนี <grammar> ่ย ถ้าว่าให้ตรงๆเนี่ยนะว่าปฏิสังขารญาณเนี่ยเห็นเห็นตัวนิมิตเนี่ยด้วยความไม่เที่ยงเนี่ยนะครูเห็นปะวะัตตะเนี่ยนะเรียกว่ามานาัสการโดยอนิจจงเนี่ยเห็นนินมิตน่ากลัวเมื่อมานาัสการโดยทุกขังเนี่ยปะวะัตตะนี่น่ากลัวเห็นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะทั้งนิมิตและปะวะัตตะย่อมน่ากลัวเหมือนกัน คำว limit, ่านิมิตเนี่ยนะเมื่อมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นนิมิตเมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์เห็นปวัตตะเมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตาเห็นทั้งนิมิตและปวัตตะทำไมนะมนสิการโดยความเป็นอนิจจังตัวยานก็จะเห็นนิมิตนั่นนะถ้ามนสิการโดยความเป็นทุกขังก็จะเห็น ปวัตตะวัตะะนี่น่ากลัวถ้ามานสิการโดยความเป็นอนัตตาจิวิบจะเห็นภัยทั้งนิมิตกับปวัตะคำว่านิมิตเป็นชื่อของขันนไหมนิมิตนะเป็นชื่อของขันใช่ไหมเพราะว่าเครื่องหมายคือความขันเนี่ยรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง ปวัตตาเนี่โดยสัพแปลว่าเป็นไปทีนี้ไอ้ขันท่าที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นไปตัวไม่เที่ยงมันสืบเนื่องไงไหมการเห็นคือขันท่าประชมกันแล้วขันท่ามันมีอยู่แค่เห็นใช่ไหมไม่ใช่จากเห็นไปได้ยินจากได้ยินไปรู้กลิ่นรู้รสรู้โภธามุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปอย่างเนี้เห็นะหตัวไม่เที่ยงนั่นแหละที่มันเป็นไปไอ้ไม่เที่ยงบ่อยๆบ่อยๆซ้ำๆซักๆถามมามันน่าเบื่อเด้อไหมน่าเบื่อเพราะฉะนั้น จึงเห็นโดยความเป็นทุกข์นะไอตัวไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นไปแล้วเป็นไปอีกเป็นไปแล้วเป็นไปอีกอันนี้เรียกว่าเห็นปวตะาปวตะก็คือขันห้านี่แหละที่เป็นไปในพบในกําเนิดพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดเป็นต้นเนี้ยนะแล้วก็มานสิการโดยความเป็นอนัตตก็ทั้งนิมิตและปวตะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกนี้เป็นภัยจริงๆ อันนี้เรียกว่าเป็นพทยนะพายก็คือน่ากลัวตัวนี้มันว่าลักษณะตัวนี้เป็นตัวขันอันนี้ลักษณะของขันถ้าเปรียบเทียบอุปมาเขาบอกว่ า, าเปรียบเหมือนบาตรเนี่ยนะบาตรพระของเราก็หม้อดินก็ได้อะหม้อดินรอยแตกกร้าวทะลุรอยแตกสามรอย ก, ก็ได้รอยทะลุสามรูก็ได้ ชอบแบบไหนก็เอากันแล้วกันสรุปแล้วมันใช้ไม่ได้แลว้วเหะนไะทั้งรอยแตกรอยร้าวรอยทะลุช่องโหว่ทั้งหลายหลยเนี่ยของของขันท่านะเพราะฉะนั้นภัยตัวนี้ก็คือเท่ากับทุกขศัตร์นียนะทุกขศัตรจะทุกขศัตรจะเนี่ยมันมีลักษณะประจำตัวสามอย่างคืออันนี้จังทุกขังและอนัตตาแต่อันนี้เป็นลักษณะคือความไม่คงทนของอันนี้จังก็คือนิมิต ท, ที่ไม่คงทนของขันท่า เป็นทุกข์คือความเป็นไปของขันท่าที่เรียกว่าเป็นภาระเนี่ยนะเป็นอนัตตาเพราวะ่าทั้งนิมิตทั้งปะวัตตาเนี่ยมีค่าเหมือนกันหมดหน่ากลัวเหมือนกันหมดเนี่ยนะการน้อมไปพิจารณาอย่างนี้นะเป็นเป็นอารมณ์ของปัญญาเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวไปไปพิจารณาหรือตัวปัญญาตัวนี้ตรงนี้เรียกชื่อว่าอะไรปฏิสังขารยานเนี่ยปฏิสังขา คือปัญญาที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยนะถ้าเราเรียงเรื่องได้มาเป็นอย่างดีในเบื้องแรกเนี่ยมันเป็นการแบ่งธรรมะสองกลุ่มเท่านั้นเองเนี่ยเป็นการแบ่งธรรมะสองกลุ่มสองกลุ่มคืออะไรกลุ่มกลุ่มมัชที่เป็นโลกิยะมัชเนี่ยนะกับกลุ่มมัชข์รรรรที่เป็นโลกิยะกับกลุ่มทุกขั์เจริญมัชข์ที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะ มาพิจารณาทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ยังไงมันก็เป็นโลกิยะอยู่แล้วละ่ะเพราะงั้นการพิจารณาด้วยปัญญาหรือด้วยมัคสัมมาพิธีเนี่ยเป็นตัวมาพิจารณาพวกขันธาตุอายตนะโดยนิมิตคือเครื่องหมายประวัติตรคือความเป็นไปที่เขารู้ว่าโดยนิมิตเพราะเข้ามานาสิการโดยความเป็นอันนี้จังนะ น, นิมิตคือไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเหมือนกันหมด แต่ว่าไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันเป็นไปในภพสามกำเนิดส live eh ี like ่คติห้าวิญญาณที่ติเจ็ดสัตว์ตาวาสเก้าที่ไหลที่ไปอย่างนี้นะตัวไม่เที่ยงด้วยเป็นไปอย่างนี้ด้วยก็ไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงในในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เหล่านั้นใครมีอำนาจที่แท้จริงในอบายภูมิบ้างอ่ะก็ไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงในหมู่มนุษย์บ้างก็ไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงทั้งนิมิตทั้งปวัตตะจริงเป็น อนัตตาแต่เป็นการวิเคราะห์เพื่อต้องการจะปล่อยบาตใบนี้แล้วนะนีถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าหม้อถ้วยโถโอชามหม้อดินทั้งหลายเลยเนะี่ยเตรียมจะทิ้งแล้วนะีบอกถ้าร่างกายนี้ถ้าเปรียบเหมือนหม้อดินนะหม้อดินยังดีกว่าเลยนะหม้อดินยังทั้งมากก็มีรอยเล้ารอยทะลุของเรามีตั้งเก้าแผลเนะี่ยแล้วก็ยังเสื่อมหลีดต่างหากร้าวทุกขนทุกแห่งไปหมดเลยนะมันก็ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ปล่อยง่ายๆนะ นุถนอมดูแลอย่างดีเนี่ยนะประคบประงมทั้งอบทั้งบีบสารภาพอยู่นั่นหมดอ่ะอยากให้พระกุณเจ้าแยกเพราะว่าในตำราท่านจะมีแสดงนะครับว่าอา น, นิจจะลักษณะก็อย่างหนึ่งอา น, นิจจังก็อย่างหนึ่งทุกขลักษณะกับทุกขังก็อย่างหนึ่งอนัตตากับอนัตตลักษณะก็ทลายอย่างกันตัวอา น, นิจจังอะนะ ตัวนี้นะอย่างถ้าอย่างนี้นะอานิจจังตัวนี้เน้นไปที่ลักษณะนะแต่ตัวอานิจจังตัวมันอยู่คือตัวนี้เนี่ยนะตัวอานิจจังคือตัวขันห้าตัวเพราะว่าตัวทุกขสัพน์นั่นแหละคือตัวอนิจจังตัวทุกขังตัวอนัตตาคือตัวขันห้าเลยแต่ลักษณะขอคขันห้าเนี่ยนะมีลักษณะ ลักษณะของเขาคื อ, อ น, นิจจาลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะถ้าเปรียบแบบยังไงว่าเหมือนกับโคตัวโคกับลักษณะของโคเหมือนกันไหมอันเดียวกันไหมเอาแล้วแล้วโคเนี่ยไม่มีลักษณะได้ไหมแล้วลักษณะโดยที่ไม่ต้องมีโคได้ไหมเอาแล้วโคกับลักษณะต่างกันยังไง คือว่าลักษณะมันเป็นเครื่องหมายที่ประกาศให้รู้ว่านี้โคใครเอาเอาแบบรถที่เรามาจอดจอดกันอยู่นี่ก็แล้วกันรถทุกคันมีลักษณะไหมมีแล้วลักษณะกับรถอันเดียวกันไหมงั้นก็เอาแต่ลักษณะไปก็แล้วกันคือไอไอไตัวรถเนี่ยนะมันก็ธรรมนาเหมือนกับตัวโคเนี่ยรถแต่เนื่องจากรถแต่ละคันมีลักษณะเนี่ยเราจึงไม่ไปเอารถคนอื่นมาใช้่ไหม เพราะมันมีลักษณะเฉพาะตัวของรถแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันเราก็เลยไม่ใช้ปนกันจริงๆรมันก็รถทุกคันมันก็คือรถนั่นแหละแต่ว่ามันมีลักษณะที่ที่แตกต่างกันของรถแต่ละคันแต่ละคัน